ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฝังทั้งหลายแต่หลวงปโปติญาณในวันนี้คงปรารบพระพุทธธรรหักที่สัตว์แก่ท่านสามบดีพรมคือมาถึงประโยคที่สำคัญเนี่ยว่าเราเปิดประตูมาตะแก่ท่านคือตามคำรัตนาของท่านสามบดีพรมสัตว์เราใดจะฝังจงปล่อยจงน้อมศรัทธามาเถอด คือปัญหาใหญ่คือการน้อมศรัทธาศรัทธาเป็นธรรมะหลักเป็นอินทรีย์นะครับเป็นเป็นอะไรหลายๆเรื่องเลยลักษณะของศรัทธานเนี่ยมันมีความผ่องแผ้วปรากฏขึ้นภายในใจแต่ลักษณะคล้ายๆกับแสงสว่างที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะขจัดความมืดออกไปจากจุดตรงนั้น พลศรัทธาท่านจึงบอกว่ามีการตั้งไว้คือตั้งอยู่ภายในใจเนี่เป็นลักษณะให้ลองสังเกตว่าเราศรัทธาในใครสักคนหนึ่งเราเชื่อมั่นในใครสักคนหนึ่งเราดูง่ายๆนะไม่ต้องพูดศรัทธาก็ได้ว่าเราเชื่อมั่นในใครสักคนหนึ่งเนี่ยแม้ใครจะมาหลอกลวงจะมากล่าวหาใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ตาม ถ้าเราหนักแน่นมั่นคงจริงจะไม่อ่อนไหวจะไม่วันไหวไปตามเรื่องนั่นนั้นผลศรัทธาจึงแปลว่ามีการตั้งไว้เป็นลักษณะหรือมีความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นลักษณะจิตใจจะถูกโยกคลอนให้อ่อนไหวไปกับข่าวลืออะไรต่รรางๆสารพัดต่างๆได้ยากให้ลองสังเกตว่ามักมีข่าวคราวที่เกี่ยวกับพระ มาต่อนเนื่องกันมาหลายปีนะะแต่ถ้าเราไปถามลูกศิษย์ท่านเหล่านั้นดูเนี่ยถามว่าเธอเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกทุกวันก็ยังศรัทธาเขาเหมือนเดิมแม้บางท่านจะตุกจับสึกไปแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ยังไปมาสู่กันอยู่หรือแม้แต่กรรมังที่มีข่าวคราวกันอยู่ถามลูกศิษย์ทุกศิษย์ก็ยังไปอยู่นะีงั้นก็แสดงทังว่าจิตใจเขามีความเชื่อมัน่นแต่ว่าสิ่งที่เชื่อมั่นเนี่ย มันต้องมีเหตุผลต้องมีหลักการที่ถูกต้องในฐานะของพุทธบริษัทเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องศรัทธานั้นท่านจะต้องเน้นไปที่ตถาคตโพธิศรัท ธ, ธาคือเชื่อการศัสรูของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเชื่อในพระพุทธคุณพระพุทธกุณจะ ร, รสวดสายายกันเนี่ยถ้าพระพุทธตำรัดจัดเองนะ เวลาที่บายเรื่องสัทโธโหติเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ทัท้ทีเชื่อตามบทพระพุทธคุณที่เราสวดสั่เสร์นกันพระพุทธคุณนั้นที่จริงมีนยยะยาวมากนะฮะมาถึงโอกาสโอกาสก่อนแล้วคงจะไปแวะที่พระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณก็ให้เลยก็คงอีกนะอีกหลายวันนะี่ะนะ ทีนี้ลักษณะของศรัทธาเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีอัญญงสัมบยุตธรรมให้ผ่องใสหรือมีการแล่นไปข้างหน้าเป็นกิจเป็นหน้าที่นะฮะคือเวลาเขาเกิดขึ้นภายในใจใเราสังเกตว่ามันจะมีสิ่งอื่นเกิดขึ้นติดตามมาสมมตินะฮะสมมติว่าเรา เชื่อมั่นในในพระพุทธเจ้านะเราก็จะมีความเพียรที่จะศึกษาค้นคว้าประสประพฤติปฏิบัติตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าไปไหว้พุทธปูชนียสถานที่อินเดียครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบือ่อ ก็มีสติระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้ามีจิตธรรมใจสงบอยูย่ด้วยพุทธคุณมีปัญญาพิจารณาถึงคุณพระพุทธเจ้านี่ก็จะตามมาเป็นแถวเลยและสิ่งที่ตร ง, งกันข้ามตรงกันข้ามกับศรัทธาก็จะถูกกระจัดออกไปความไม่เชื่อความเครือบแพลงสงสัยโลภโทสะต่างๆนี่จะถูกกระจัดออกไปเพราะาบางครั้งบางคราวเนี่ย คือมีนานมาแล้วก็เกยไปได้ยินประโยคหนึ่งที่ประเทศอังกฤ ษ, กษนะฮะใกลๆ้ๆสกอตแลนด์ก็มีคนจากลอนดอนเนี่ยเขารู้ว่าไปที่จริงไม่รู้จักหรอกเพียงแต่ว่าเขาเขาได้ควังเทปเทศธรรมะก็ะเผยแพร่อยู่แถวยุโรปอเมริกาเยอะนะเทพธรรมะเทวาบรรบยายเนี่ย แต่เขาก็รู้เขาก็ต้องการจะเห็นตัวนะก็กลมาก็าาพูดกันไปพูดกันมาถามวายมมาได้ยังไงมันไกลเหลือเกินเขาบอกว่าศรัทธาสิอย่างถ้าให้เข้าใจคําว่าศรัทธาเพราะพลังเขาศรัทธาเนี่ยมหาศาลจริงๆริงแต่เราเองก็เป็นอย่างนั้นนะพอไปถึงไปไหว้พระที่อินเดียนี่ไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยอากาศจะร้อนจะหนาวยังไงก็ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร นั่นคือพลังของศรัทธามันจะขจัดสิ่งที่ทรงกันข้ามเขาเรียวกว่าปฏิปักษธรรมก็คล้ายๆกับลำแสงแสงสว่างที่มันเกิดเนี่ยปริมาณก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็จัดมือดออกความมือดออกไปได้โดยดัยรัๆเพราละลักษณะของเขาก็คือมีความผ่องใสภายในนึกถึงความผ่องใสของน้ำที่บริสุทธิ์นึกเป็นความผ่องใสของแก้วมันีอะไ ร, ต, รต่างๆอะไรนึกอย่างไ ว่าไม่วางตัวไหนแล้วมันมันมันเกิดสว่างกระจากความมืดในตรงนั้นออกไปเพรา ะ, ะสถานนี้จะต้องน้อมเข้ามาแล้วก็ถือว่าประการใหญ่นะคือปัญหาว่าเรามองพระพุทธเจ้าอย่างไรเราเชื่อพระพุทธเจ้าไหมคือถ้าถ้ายังงอนแง่ น, เ ช, นเช่นสมมุติยังไม่เชื่อเนี่ยเขาบอกว่าความขุ่มมัวมันยังอยู่จริงไม่จริงจริงไม่จริงจริงไม่จริง เราเสร็จแล้วนะฮะจริงไม่จริงเนี่ยมันจะเกิดสงสัยคล้ายๆกับเราเดินไปถึงทางสองแพรนะ่งเนี่ยปัญหาว่าซ้ายหรือขวาเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจแล้วก็ไปไม่ได้น่ะยืนนิ่งอยู่งั้นเองแม้แต่จะดื่มจะกินอะไรเราสังเกตนะถ้าเราสงสัยเราก็ไปไม่ได้บางทีก็ถือค้างไม่แน่ใจกินดีหรือไม่ดีเนะี่ย เพราะฉะนั้นพลังเราศรัท ธ, ธามันจะเกิดขึ้นจะขจัดความขุนมัวภายในจิตไปใจก็จะไม่ขุนมัวด้วยความไม่เชื่อด้วยความสงสัยด้วยโลภะด้วยตัณหาด้วยโทสะเวลาคนเราศรัท ธ, ธามากมากก็หลายปีมาแล้วนะครมาพักที่วัดบรวรตอนนั้นยังไม่อยู่วัดบรวรสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวิทยานวง์ในทรงประชวนอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาก็ไปชวนหนักกันะฮะตอนนั้นก็ใกล้ใกล้จะสิ้นประชนวรแต่ว่าหนึ่งในสเสด็จลงมาออกมาจากเจียงเนี่ยก็มาดุพระที่ทิ้งพระองค์ให้อยู่ลําพังตอนนั้นก็ก็ตกใจนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ดีใจเพราะสมเด็จในท่านไม่ดุใคร พอดุแล้วเหมือนกันให้ผ่อนะเหมือนกับท่านให้พอนะ่อเพราะท่านเหล่านี้เคารพนับถือศรัทธาท่านมากพอดุขึ้นก็ไปแต่เล่าเพื่อนคุยได้เป็นเป็นปีๆเลยฮะเป็นความสุขใจที่ท่านได้ดุเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะเราศรัทธาท่านคําดุของท่านคําด่าของท่านท่าจะว่าอะไรว่ามาเลยนะะเหมือนกับรถด้วยน้ํามันที่มันเย็น ลองสังเกตอะปู่ย่าตายายของเราที่เราเคารพนับถือศรัทธาเนี่ยการดูด่าว่ากล่าวอะไรนีนเรารู้สึกดีใจนะฮะบางทีก็ตื้นตันประทับใจที่คุณยา่าคุณยายจะเป็นห่วงเป็นใยอุตส่าห์ดา่าให้เลยเป็นความรู้สึกอย่างเงี้ยเพราพลังของศรัทธาพลังของความรักพลังศรัทธาพลังเมตตาพลังภักดีพลังความเคารพเลื่อนทูลเนี่ย เป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเท่าไหรเท่ากันหมายความว่าสําหรับบุคคลผู้นั้นแล้วตายแทนได้พักดีนี่ก็ตายแทนได้นะรักก็ตายแทนได้กรุณานี่ก็ตายแทนได้ศรัทธานี่ก็ตายแทนได้เมตตาให้มากหน่อยนะก็ตายแทนได้เรียกเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจคนแล้วมันเท่าไหร่เท่ากัน เป็นไรเป็นกันพร้อมที่จะเสียสละเราเห็นภาพจินตนาการนึกถึงภาพของพระอนุ น, นที่ตอนพระเทวทัตปล่อยช้างนลาคิรีให้วิ่งมาแทงรพระวุฒิเจ้าพระอนนทหลันไปขวางข้างหน้าเลยครูเจ้ารับสั่งถามทำอะไรอนุนท่านก็บอกว่าท่านขอสละชีวิต แทนพระพุทธเจ้าให้ช้างแทงท่านเพราะว่าพระเจ้าอยู่นั้นโลกจะรับประโยชน์อีกมากท่านตายไปคนยังไม่เป็นไงครับพระนนท์ตอนนั้นทรนนท์ท่านเป็นประสดตบันท่านก็คิดแบบประโสดตบันนะซึ่งมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่สัตว์ที่สะดุ้งทั้งหลายเนี่ยพราะช้างนาลาคีรีเชือกเดียวอย่างนั้นก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรพ ร, ระองค์ก็ไปรับยืนเฉย แล้วก็แผ่เมตตาจิตไปช้ามันก็หยุดาราว่ า, วาเอาง่าปักดินเดินเข้าโรงไปเลยนี่ก็คือพลังตรงนี้เราลองดูถึงวี ร, วรชนก็เราแนวดนีมันรักชาติรักแผ่นดินพักดีโสตสถาบันตรมากษัตริย์รักราศาสนาแต่และอย่างนี่ท่านก็ทำกันทันได้ ในประวัติศาสตร์ตรงนี้ข้อที่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าเราไม่เอามาประลกกันคือตอนกรุงแตกเนี่ยที่พระเจ้าตักสินนำกู้ชาติตอนเห้คข้ายออกไปก็ไปห้าร้อยนะตอนกลับมากู้ชาติก็มาห้าพันใช้เวลาเจ็ดเดือนแต่ถามว่าวิธีการรวบรวมคนเนี่ยท่านเอาอะไรเป็นจุดยิดเนี่ย เพราะถ้าเรามองประวัติศาสตร์ตรงนั้นขณะนั้นนะนะราชวงศ์บ้านผูกหลวงไม่มีตัวหลักเลยผลสถาบัานประมางศาสตร์นี่ล่มลหลายไปแล้วเอาชาติหรือแต่เป็นเสียงเละหมดถกเจ็ดกกด้วยกัน่ังคนเขาก็อยากย่อยากโตล้วคนส่วนหนึ่งก็หนีเอาตัวรอดท่านเองเป็นพระญาติแต่งตั้งกลางสึก เป็นพระยาวชิราประการที่ไม่เคยไปกำแพงเพชรไม่ได้ไปรับตำแหน่งนะฮะเพราะว่าอยู่ในเมืองหลวงแล้วก็คนก็ไม่รู้จักแต่หลวงยกกะบะอยู่ที่ราแขงที่ตากเราะการกู้ชาติในคราวนั้นเนะี่ยคือถ้าเราไปอ่านแล้วเอามาอ่านครั้งแรกเราอ่านครั้งแรกจำได้เลยนะก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกั น, น ตั้งยาวนะแต่เราอ่านครั้งไรเราจำได้เลยแล้วก็ซึ่งอ่านเมื่อไรก็ขนลุกทุกทีเวลาเอาไปพูดกับพระใหม่หรือว่าอูดเรื่องประหานศาสนาที่เราก็ยกให้ท่ยกฟังท่านตื่นเต้นกันนะทรงกู่ฉาถวายพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีใครสามารถเป็นจุดยึดเหนี่ยวของคนได้แล้ว แล้วคนไทยเราห้าพันท่านเนี่ยบรรพชนไทยห้าพันท่านนี่กู้ชาติบันเมืองไว้ได้เพื่อถวายพระพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาซึ่งอย่าลืมนะว่าพระน า, า, ารายณ์มาราศได้เคยถวายนะารายราชนิเวศแด่พระศาสนาเหมือนกันถวายวังทั้งวังนะฮะถวายเป็นวัดหลยเพรา ะ, ะข้อความตรงนี้ มันมีการคัดลอกมาใส่ไว้ที่เข้าเข้ากอบไว้นะฮะว่าอันตัวพ่อชื่อว่าประยาตากทนทุกยากกู้ชาติศาสนาถาวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะประพฤตพุทธโคโดมไอ น, นี่คือพลังศรัทธาแต่ถามว่าทำไมศรัทธาอย่างนั้นเน่คือพื้นฐานของท่านเนี่ยท่านมาอย่างนั้น ท่านเห็นอนุภาพของพระรันตนาฏไรท่านสัมผัสมาด้วยตัวท่านเองเด็วก็ท่านรอดปลอดภัยมาโดยบารมีนะฮะเราอย่าลืมว่าพระพุทธยอดฟ้าเองก็เราไปราชการทัพก็ต้องเอาพระชัยหลังช่างไว้ทุกชีเชื่อมั่นในพุทธานุภาพเพราะความที่ท่านเป็นเด็กวัดมาก่อนเป็นสามาเณรมาก่อนเป็นพระมาก่อนพลศรัทธาในพบาัตนาฏไร่มันเกิดเป็นอนุภาพไลย พร้อมจะทำงานถาวายตัวเองเป็นพุทธบูชาเลยกู้แผ่นดินถาวายเป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคตรให้ดำรงคงท่วนห้าพันปีสมณะพรามชีปฏิบัติให้พอสมสมถะวิปัสนาพอนิยมถาวายบังคมรอยบาทพระศ า, าสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตราศาสดาวากไว้คู่กันเห็นไหมพลังมัจถาเนี่ยแล้วเป็นเรื่องที่น่าทึ่งน่าอัศจรรย์เคยถามนายทหารระดับพลเอกเลยนะบอกว่าลองอธิบายดูที่ท่านเดินทับมาอย่างไงท่านเอาเรือมาเป็นจำนวนร้อยกว่าลำเนี่ยกับทหารห้าพัน 5, มาจากจันทบุรีนะมาเข้าใ่น้ำเจ้าพระยา มาตีไข่ซุกี้ปนากรนไขในท้องอินได้ไปตีลาดหญ้าได้เข้ามาได้ยังไงก็ไม่มีใครอธิบายได้แต่ว่าก็เข้ามาได้นั่นคือพลังพลังศรัทธาที่มีอยู่ต่อพระรัตนตรัยเนี่ยเราได้แก้ไขปัญหาวิกฤตบ้านเมืองมาตั้งหลายครั้งแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปกติแล้วก็หายไปเลย นี่คือปัญหาเพราะใดเพราะว่าไม่ได้พยายามที่จะก้าวหน้าต่อไปเรานับถือพระพุทธเจ้าในเชิงครั้งนี่จะมากไปการที่จะน้อมนำเอาพระพุทธคุณมาไว้ภายในใจเป็นเรือนใจเป็นหลักใจเนี่ยก็ททำให้สิ่งที่เราสัมผัสเนี่ยก็ไม่ค่อยจะโดดเด่น เพราะว่าพอถึงจุดหนึ่งมันก็งอ น, งนองแงนคอนแขลนแล้วก็แม้แต่พระเครื่องเนี่ยก็ถือกันนะพระเครื่ององค์นั้นองค์นี้ใหญ่ป่าองค์นั้นองค์นี้ที่จริงเนี่ยถ้าเรามองกันในแง่จริงๆพระพุทธ ร, รูปในโลกมีองค์เดียวเองมันต้องไปนับไหรอกเป็นปฏิมาคือตัวแทนสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์เดียวแต่นั้นเอง แล้วบางทีในเราเดินไหวพระนี่ไหวไหว้หมดเลยเามาไหวทีเดียวเองไงคือถือไหวองค์เดียวพระพุทธเจ้าก็มีองค์เดียวแต่นั่นเองเราไหวก็ไหว้หมดนัะนะแล้วก็มีไม่มีเราก็ไหว้ได้ด้วยเพราะว่าจริงๆริงในเรารำลึกถึงพระคุณพระคุณของพระพุทธเจ้าทีแนวของของศรัทธาเนี่ยท่านบอกว่ามีการใจที่มันน้อมใจเชื่อเี่ย เป็นผลที่ปรากฏภายในจิตของบุคคลว่งงางั้นก็ต้องผ่านการศึกษาเรียนรู้มาพอสมควรอย่างในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่หันมาสนใจประสาศาสนามันจะได้ข่าวคราวพระเกติคุณของพระพุทธเจ้าตำโครงสร้างของนวาหารคุณทั้งเก้าบทก่อนวันั้นได้บอกว่ามีวัตถุพึงเชื่อเป็นเนเใกล้ ต้องมีวัตถุบุคคลเป็นเหตุให้เชื่อถือได้เนะี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดขึ้นวันศตาที่เรียกว่าตั้งไว้ดีในได้แก่ความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระเจ้านั้นเป็นที่ตั้งของความเลื่อมใสแก่บุคคลทั้งสี่จำพวก พระเจ้านั้นส่งสมมติคือคนเรื่อมใส่ติดสนใจทางศาสนาหน้ากห่าศาสนานี่พวกหนึ่งก็เรียกว่ารูปประมาณิกาคือถือรูปเป็นประมาณพระเจ้ารูปงามสง่าขนาดผู้ชายังหลงนะไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงผู้ชายยังหลงเล ย, ย, งลงเลยก็ดึงคนกลุ่มนี้เข้าไปได้ แล้วก็คนกลุ่มหนึ่งนี่ถือเสียงเป็นประมาณพระพุทธเจ้าเป็นพรห ม, มัสโรคือมีประสุรเสียงหรือเสียงของพรหมไพเราะมีกังวานแจม่มใสไม่พร่ามัวอีกคนผู้หนึ่งก็บุญเจ้าเป็นเรียบง่ายนะฮะไม่รู้ราวผู้ฝ่าอย่างาศาสดาทั้งหลายแต่าศาสดาที่จริงไม่มีใครผู้ฝ่านะฮะเรียบเรียบทั้งนั้นนี่ย พระพุทธเจ้าพระเยซูท่านนบีเนี่ยก็เรียบเรียบแต่นั้แต่รุ่นลูกศิษย์เนี่ยมาวิจิตพิสดารได้เก่นะอย่างโบ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ารูหรามากนะมีมงกุฎมีอะไรๆมากม า, กายไกลกอนแล้วก็พัฒนาขึ้นมาในตอนหลังแล้วก็พระเราก็ได้จริงไม่เบานะะถ้าเทียบระสาสดา ก, กับลูกศิษย์ทุกวัน อาจ้าน้ำเจ้าขุนบางองค์ในหรูหราฟูฟ้าเลยแนละ้วแสดงว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเขาจริงก็สืเสื่อมไปทางเสื่อมไม่ใช่เป็นทางเจริญเพราะว่าถ้าเราจะต้องเรียบง่ายก็ไม่รู้ราฟูฟ้าจะ แ, แน่นอนแหละคือยุคสมัยปัจจุบันในโต๊เก้าอี้ะอะไรแรมจะเป็นต้องมีมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน คือใชไ้ไหมส้อยต่างๆในเหมาะสมกับยุคสมัยพิมพ์ลงพิมพ์ดีดอะไรๆเทปๆเนี่ยมันต้องมีทนั้นเนี่ยยิ่งทำงานมากเนี่ยพวกนี้ก็ต้องมีไปแล้วก็คนที่เป็นนักปราชญ็ที่เรียกว่าธรรมประมาณิกาคือถือธรรมเป็นประมาณใน ค, คัมภี์อภิธรรมมัตภาวินีท่านอธิบายว่าศรัทธานเนี่ย มันมีความผ่องใสดูดแก้วมันีที่ทำให้น้ำใสอันนี้ไม่ทราบเป็นยังไงนะฮะคือเราพบบ่อยว่าแก้วมันีเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วทำทาให้น้ำใสสะอาดก็น่าดืม่มทีนี้ศรัทธาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่ข่มพวกนิวรณ์คือทำให้กิเลสมันสงบ เพราะอะไรเพราะว่าศรัทธานั้นมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราลองสังเกตว่านี่วรเนี่ยมันเป็นเหตุได้เกิดอากุศลตัวมันเองก็เป็นมโนทุจริตแต่เกิดขึ้นภายในจิตแล้วก็เป็นมโนทุจริตโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือวิจิกิจฉาเนี่ยศรัทธาทุกจัดออกไปนะความคุ้มสร้างก็ถูกจัดออกไปและทีนี้ด้วยพลังของศรัทธาเนี่ยมันไปนขจัดพยาบาทขาจัดไอกรมฉันกระจัดโวกถินามิทะ ลดความรุนแรงทีน้มิทะไหนทีน้ามิทะก็อย่างว่าแะคือมันเป็นเรื่องร่างกายพระโสดาบันเองก็ยังนั่งสัพ ป, ปงกนะฮะพระโมกคัลานะตนบรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ยังไปนั่งสัพ ป, ปงกเจริญกรรมฐานอยู่มั่นก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตแต่ว่ามันก็ลดความรุนแรงลงไปเพรา ะ, ะนั้นศรัทธาจึงมีความผ่องใส แล้วก็เป็นหัวหน้าในกุศลคือเมื่อให้ทานรักษาศีลจะทําอะไรก็ตามนะศรัทธามันต้องเป็นโดนานะถ้าเราไม่ศรัทธาเราไม่ทําหรอกเช่นจะทําบุญตักบาตรหรือจะบริจาคอะไรสักอย่างหนึ่งยิ่งรักษาศีลยิ่งแล้วใหญ่แต่เราไม่เชื่อมั่นในผลของศีลก็ไม่มีใครก็รักษาหรอกแล้วก็การบําเพ็ญภาวนายิ่งไปใหญ่เลย ศรัทธาจะเป็นตัวนาเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงเหมือนเหมือนกับทหารที่มีความชานิชานาะญในการสู้รบต่างๆนะจะสามารถจะนำกองทัพฝ่าวันอุปสรรคอันตรายเข้าไปเพื่อบรรลุผลที่ตนต้องการได้ในที่สุดเพรา ะ, ะนั้นใการการจะน้อมศรัทธามาหรือไม่เนี่ย คนก็ต้องรู้เรื่องพระพุทธเจ้าแต่สังคมพุทธเราเนี่ยก็รู้เรื่องพระพุทธเจ้ากันอยู่แล้วนะแต่ว่าแปลกที่ว่าในขณะที่ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาชื่นชมต่อการที่พระนางมาเรียประสูติพระโอรสแล้วเนี่ยกลับเป็นสาวผู้มจารีเหมือนเดิมเกาชื่นชมประเด็นเหล่านี้มากแต่ของเรานีนแหมไปตั้งแง่ตั้งมุมกับพระพุทธเจ้าประสูติแล้วเดินด้วยพระบาทได้เจ็ดเก้าเนี่ยพระสงฆ์ของพระเจ้าก็ไปเขาด้วย ดอกเตอร์ด็อกแตะทั้งหลายก็ไปเข้าด้วยประมาณการตัวเองไม่สูงเกินไปแล้วก็ประมาณพระพุทธเจ้าต่ำเกินไปโดยไม่รู้จักคดียว่ขาดอัตันยูตตาล้วก็ทําให้เกิดความสับสนแล้วก็มีความจงงักงานเกิดขึ้นไปในจิตตัวเองโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องฟังทั้งหลาย และรมปปฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเป็นท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงกงามไปบุญในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี